เที่ยววิ่งไปทางตะวันทั้ง6จิตจะไปที่เกิดที่ตาเกิดที่หูชูหมูกที่ลิ้นที่กายเราเลือกไม่ได้มีจิตตัวหนึ่งเลือกให้จิต ท, ที่เกิดที่ใจจะเป็นสุขเป็นทุกข์เป็นกุศลอกุศ ล, ลเราก็เลือกไม่ได้มีจิต อ, อีกตัวหนึ่งเลือกให้นักจะเห็นอย่าสิ่งเหล่านี้ร่างกายนี้เราจะเห็นอีกตัวหนึ่งได้ชัดคือเห็นเห็นทุกข์ได้ชัดก็เห็นอนัตตาได้ชัด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 ในขั้นของสมถะนั้นเพ่งมากๆใจจะเบาๆนะตัวลอยตัวเบาตัวโครงรู้สึกบูบบบบ้าบๆคขนลุกขนชันคนน้ำตาไหลนี่เป็นอาการของปีติของสมถะทั้งหมดเลยงั้นเวลาเราภาวนาดูท้องพองยุเพื่ออย่าให้ใจมันไหลลงไปหยุดในท้องให้ใจมันแค่สักว่ารู้สักว่าเห็นใจอยู่ต่างหากเหมือนคนดูละคร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 มันเหมาะที่สุดสำหรับการทำวิปัสสนาใจมนุษย์นี่นะใจของรมมันเหมาะจะทำสมถะใจของเทวดามันเหมาะจะเสพสุขใจมนุษย์น่ดีที่สุดใจมนุษย์เปลี่ยนแปลงทั้งวันเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวก็โลภเดี๋ยวก็โกรธเดี๋ยวก็หลงเดี๋ยวสงสัยเดี๋ยวฟุ้งซ่านเดี๋ยวหดหูเดี๋ยวอิจฉาริษยาเดี๋ยวอาฆาตยาบาศ